ใจไม่งามเพราะขาดอาพรประดับใจความอดทนความสงบสุภาพความมีเมตตาปรานีเป็นอาพรสำคัญของใจทำให้ใจงามเมื่อใจงามกายวาจาก็พลอยงามไปด้วยเพราะใจเป็นหัวหน้าเป็นนายกายวาจาเป็นบ่าว อาจารย์วศินอินทศระก็ามีงานอบรมเพื่อพัฒนาพฤติกรรมด้านสุขภาพนะครับค่ะการกินการอยู่ทำยังไงจึงจะทำให้มีสุขภาพแข็งแรงอะไรเนี่ยครับ ก็ไม่พ้นเรื่องของสุขภาพนะคะตรงโงนี่คุณหมอเนี่ยเป็นทั้งหมอกายแล้วก็หมอใจเลยนะคะสุขภาพกายก็ต้องดูแลสุขภาพใจก็ต้องช่วยกัน ร, รักษาด้วยนะคะครับแต่คงไม่ใช่เฉพาะคุณหมอกระมังค์คะที่ต้องทําหน้าที่ตรงนี้จริงๆแล้วเป็นหน้าที่ของทุกคนใช่ไหมคะคุณหมอจริงๆแล้วคงจะต้องพูดว่าเป็นหน้าที่ของทุกคนนะค่ะแพทย์นี่ก็เลยส่วนสําคัญที่แพทย์มีบทบาทอยู่ที่สําคัญในปัจจุบันนี้ก็คือเรื่องของการดูแลรักษา เป็นหลักใช่ไแต่จริงๆแล้วในขอบเขตของหน้าที่ของแพทย์เนี่ยน่าจะมีมากกว่านั้นแต่ว่าด้วยการที่ว่าเรามีคนไข้คนป่วยมากเกินไปนะฮะหน้าที่ส่วนที่ควรจะทําได้ดีกว่านี้ในส่วนของการส่งเสริมป้องกันเนี่ยเลยหย่อนหรือว่าลดประสิทธิภาพลงไปเลยทําหน้าที่แต่ตั้งรับอย่างเดียวนะครับพี่กินีนาค่ะซึ่งเราก็เป็นที่ทราบกันดีว่าโรงพยาบาลสร้างอีก กี่ตึกนะะเตียงกี่เตียงก็ไม่พอครับไม่เพียงพอแน่นอนนะคะไม่เพียงพอเฉะนั้นปัจจุบันนี้จึงพยายามเน้นนโยบายเชิงรุกบางเออเราก็ยังพอทําหน้าที่นี้ได้อยู่บ้างเขาคงจะพอเห็นประโยชน์นะครับค่ะเราก็เลยเรียกไปใช้บริการเรียกไปใช้สอยนะคะครับผมก็พอีกลับไปสุโขทัยก็ถือว่าได้ทําหน้าที่การจะเรียกเลยว่าอันนึงก็ว่าเป็นปรเด็นเกิดค่ะบ้านเกิดเมืองนอนบ้านเกิดเมืองนอนก็ ไปกลับไปทาหน้าที่เรียกว่าทดแทนบุญคุณก็ได้ครับถือว่าเป็นงานที่พรามว่ามีคุณค่าในตนัวมันเองในหลายๆด้านเลยก็ว่าได้ค่ะครับก็เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราพูดคุยกันถึงเรื่องเกมกรรมนะคะคซึ่งเราก็พูดกันว่าไม่มีใครที่อาจปฏิเสธได้เลยว่าเราทุกคนต่างล้วนหลีกไม่พ้นการเป็นผู้เล่นเกมกันทั้งนั้น ต้องเสียใจว่าใครจะสามารถออกจากเกมได้ก่อนที่เกมจะโอเวอร์นะคะทีนี้แล้วเราก็พูดถึงวิธีการที่จะหลีกออกจากวัฏะของเกมกรรมไว้ด้วยว่าเห็นทีจะมีแต่เพียงการนำใจของเราเนี่ยเข้าสู่เส้นทางของการปฏิบัติธรรมเท่านั้นก็เลยอยากจะพูดคุยต่อกับคุณหมอสักนิดหนึ่งว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่ว่าเราจะเล่นบทอะไรในเกมกรรมหรือว่าในวิถีชีวิตที่เป็นอยู่เนี่ยนะคะ ก็ล้วนแต่ต้องเป็นผู้เล่นที่ชาญฉลาดใช่ไหมใช่ต้องมีปัญญาค่ะต้องมีปัญญารู้ว่าเราควรจะรู้หลบเป็นปีกรู้หลีกเป็นหางคือเล่นแล้วไม่บาดเจ็บนั่นละค่ะครับเล่นแล้วไม่ติดลบเล่นแล้วไม่เป็นหนี้เล่นแล้วไม่เสียท่าเพียงทั้มอะไรเงี้ยหรือว่าถ้ามันเล่นแล้วเสียท่าเพียงทั้มก็ใช้บทเรียนนั้นๆเนี่ย มาเป็นครูเป็นประสบการณ์ให้เราเนี่ยได้แก้ไขปรับปรุงในการเล่นเกมถัดๆไปได้เป็นอย่างดีคะค่ะทีนี้มีเกมอยู่เกมหนึ่งซึ่งคิดว่าคุณหมอน่าจะให้คําแนะนําได้ดีกว่าคนอื่นนะคะในฐานะที่เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ตรงร่วมกับกรณีศึกษาอเ น, นียนะคะะก็คือเล่นเกมคุณพ่อคุณแม่อยู่อ่าค่ะหรยอจะใช้บทว่าผู้เล่นเกมเล่นบทเป็นคุณพ่อคุณแม่นะคะแล้วก็มีคุณลูกซึ่งกําลังเรียน แพทย์อยู่สองสำรยัยแวะเวียนมาทางชมรมมาปรารภกับท่านอาจารย์กำพลน่นะคะว่าอุ้ยเป็นห่วงลูกเหลือเกินดูลูกจะเครียดคลั่นเคร่งกับการเรียนมากๆจนเกรงคิดไปเองว่าลูกอาจจะถึงขั้น คิดค่าตัวตายไหมหนาออะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็เลยเกิดความสงสัยเพราะว่าตัวเองก็ไม่เคยร่ำเรียนแพทย์นะคะไม่รู้เขาเรียนกันยากขนาดไหนนะคะแล้วมันเครียดขนาดไหนทำไมถึงพ่อแม่ในวิตกจริตมากเกินไปหรือว่าการเรียนแพทย์นี่มันขัาเคล่งขนาดนั้นจริงๆค่ะคุณหมอครับจริงๆคำถามนี้น่าจะให้อาจารย์กับคนตอบนะเนี่ย ก็ connect, os, story, คุณหมอเนี่ยเป็นหมอนะคะแล้วก็ประสบการณ์ตรงอาจารย์กำพลที่าบอกว่าผมนั่นไม่เคยเรียนแพทย์ครับก็อาจารย์ก็ได้เคยเรียนสาขาใกล้ใก้แพทย์นะคฮะก็คืออย่างนี้ฮะจริงๆแล้วปัญหาเหล่านี้เนี่ยผมว่ามันเป็นปัญหาที่อยู่คู่กับโลกนะมาแต่ไหนแต่ไรแล้วก็คงจะมีตลอดไปจนอาจจะเรียกเลยว่าเป็นปัญหาโลกแตก่ะฮะลดลงไม่มีอะไรใหม่เลยนะคะ ครัไม่มีอะไรใหม่ฮ ะ, ะเป็นปัญหาซ้ำซ้ำซากๆแบบอย่างที่บอกครัเป็นปัญหาคู่โลกจนกระทั่งเราเรียกได้ว่าปัญหาโลกแตกคือมีอยู่คู่กับโลกไปจนโลกแตกเนอะนะฮ ะ, ะมันจึงจะจบไปพร้อมกับโลกเพระฉนั้นจริงๆแล้วสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้เสมอแล้วก็ทุกยุคทุกสมัยไม่มีคําว่าล้าสมัยนะฮะแล้วก็ผลที่เกิดขึ้นมาอย่างนี้เนี่ยมันก็มีด้วยเหตุจริงๆแล้วการที่เรียนหนังสือเนี่ย ถ้าเรียนด้วยความคล่ำเคร่งเนี่ยผมว่าก็ดีนะฮะแต่ปัญหาที่ทําให้เกิดขึ้นว่ามันจะออกไปทางคล่ำเครียดฮะคล่ำเคร่งเนี่ยดีแต่คล่ำเคร่งเนี่ยเคร่งเครียดนี่ไม่ดีนะคะถ้าคําเครียดเนี่ยไม่ดีอนี่คนทั่วไปที่ที่ทําอให้เกิดมีปัญหาจนกระทั่งว่าออกอาการอยากจะเลิกเรียนหรือเรียนไม่ไหวเรื่องรายส่วนเนี่ยส่วนใหญ่มักจะออกไปทางเครียดคือคล่ำเครียดหรือว่าเคร่งเครียดนะครับก็ด้วยเหตุปัจจัยหลายอย่าง โดยสภาวะก็คือว่าในขณะที่เขาเรียนเนี่ยก็ไม่มีความสุขแน่นอนค่ะนะฮะไม่มีความสุขที่งานอะไรก็แล้วแต่เนี่ยถ้าเราทำแล้วไม่มีความสุขเนะ่งานนั้นจเจริญได้ยากครับนี้เป็นสัจ ธ, ธรรมค่ะนะฮะงานอะไรที่ทำไปทุกไปทำไปหมุนหงิดไปทาไปแล้วเบื่อหน่ายไปเนี่ยรอดยากก็ยัง <นะ S 1> คิดเลยนะคะว่าเอ๊ะ <c oughs> ถ้าเรียนหมอแล้วเครียดขนาดนี้เนี่ยมาขายเต้าหวยไม่ดีกว่าหรือ <c oughs> จริงๆในขณะที่เรียนอยู่มันก็คงจะเป็นลักษณะนั้นนะแต่ว่าเออมันก็มีจุดที่น่าสนใจบางอย่างนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกปัญหานี้เนี่ยมันเป็นปัญหาโลกแตกคือมีเหตุปัจจัยเยอะแๆมากมายนะไม่ว่าแ ต, แต่เรื่องของสังคมลงมาจนถึงว่าสังคมเล็กๆก็คือระดับครอบครัวนะครระหว่างคุณพ่อกับคุณลูกเนี่ยนะ ค, คุณแม่กับคุณลูกหรือคุณพ่อคุณแม่กับคุณลูกเนี่ยมันมีปัจจัยที่สําคัญหลักๆก็มีอยู่สองอย่างนี้ อย่างเช่นว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นว่าที่เด็กเครียดเนี่ยบางคนก็เครียดเพราะว่ามันตั้งใจเต็มที่แล้วมันก็จวนจะตกหรือว่าจะจวนจะรีทายอย่างนี้ด้วยสติปัญญาเขาจํากัดนะสอบพลุกผ่านเข้าไปติดแพทย์อย่างเงี้เนี่ยคือไม่มีความพร้อมทางสติปัญญาจริงอ็ น, นี้ก็เครียดได้เหมือนกันนะแล้วกเ็เดี๋ยวเครียดมากๆก็จะชวนหาเรื่องฆ่าตัวตายอย่างว่านั้นถัดไปก็คือมันเครียดอีกขั้วหนึ่งไปเลยก็คือว่า เกือบจะได้หรือกลัวจะไม่ได้เก็บรนิยมอันดับหนึ่งอันนี้ก็เครียดได้แล้วก็คาดตัวตายได้อีกเหมือนกันะนะครับเพราะว่าหวังหรือว่าเป็นที่คาดหวังหรือว่าตัวเองหวังอะไรต่างๆเนี่ยว่า เป็นที่หนึ่งมาตลอดอันแรกที่เรียนไม่ไหวนะคะอันที่สองเรียนได้ดีแต่ว่าโกลวจะไม่ได้ที่หนึ่งกลจะไม่ได้ที่หนึ่งกลัจะไม่ได้เหรียญทองกลวจะไม่เกียรตินิยมอันดับหนึ่สองประเภทนี้ตรงกันข้ามกันเลยตรงกันข้ามเลยเป็นขั้วตรงกันข้ามแต่ผลเหมือนกันนะคือเครียดทั้งคู่แล้วก็มีความทุกข์ทั้งคู่ค่ะนะครับกลับไปพวกหนึ่งที่เจอได้ก็คือว่าพวกที่ไม่ชอบนะครับแต่ตอนที่สมัครเรียนเนี่ยก็เลือกไปอย่างนั้นแหละคือก็ไม่รู้ว่าตัวเองจะชอบอะไรเป็นไปได้ อไม่รู้ว่าชอบอะไรแต่ว่าเห็นว่าคณะแพทย์เนี่ยตัวเองก็มีสติปัญญาใช้ได้อเรียนเกรดก็ดีไม่รู้จะเรียนอะไรเรียนหมอเปลนการอะไรทํานองเนี้ยนะ ะ, ะตามกระแสไปพวนี้พอเรียนไปจริงๆเข้าพอไปเจอวิชาต่างๆที่ตัวเองไม่ถนัดรู้สึกว่าตัวเองไปชอบอีกแบบหนึง่งอะไรเงี้ยเข้ า, ขาก็อยากจะเปลี่ยนเส้นทางเนี่ยก็จะทําให้ไม่ค่อยสนุกกับการเรียนแล้วะก็จะบางทีพ่อแม่ไม่ค่อยเข้าใจหรืออะไรอย่างนี้ก็ อาจจะมีการคล้ายๆว่าเขี่ยวเข็นนะครับบีบังคับหรือว่าขอร้องนะเรียนไปเถอเรียนไปเถอนี้ตัวเองก็ไม่สนุกนั้นความทุกข์ก็เกิดขึ้นนี่มางอย่างที่บอกนะว่าถ้าเกิดว่าเป็นมากๆก็ไม่มีทางออกก็เขาก็มีสิทธิ์ที่จะลงเอยด้วยการฆ่าตัวตายหรืออะไรได้ประเภทว่าทําร้ายร่างกายเคยเจอว่านักศึกษาแพทย์เครียดแล้วก็ทําร้ายร่างกายตัวเองนะฮะในการเฉือนใช้มีดกรีดแขนตัวเองอะไรอย่างเงี้ยนะ ค่ะก็มีท่า น, นปัญหาพวกนี้เนี่ยผมมองว่าจริงๆแล้วมันเป็นปัญหาที่ต้องมีการเตรียมพร้อมครับเตรียมยังไงล่ะคะถึงจะพร้อมคือจริงๆก็คือว่าต้องต้องเตรียมตั้งแต่คุณพ่อคุณแม่คุณพ่อคุณแม่เป็นปัจจัยต้นเหตุเลยใช่ไหมคะครับเพราะว่าผลิตเขาขึ้นมาค่ะเป็นปัจจัยเบื้องต้นที่สําคัญมากเพราะว่าถ้าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยไม่เข้าใจความเป็นจริงของชีวิตเนี่ย จะตกอยู่ในกระแสของโลกของสังคมแบบไม่ตื่นขึ้นมาเลยนี่นะครับตรงนี้ก็จะเข้าสู่วังวนอันนี้ได้ง่ายนะลูกชั้นเราเป็นหมอแม่เป็นหมอพ่อเป็นหมอลูกก็ต้องเป็นหมออะไรอย่างเงี้ยนะะหรือแม้แต่การที่พยายามจะก๊อปปี้เด็กให้แย่อย่างที่ตัวเองต้องการตื่นเช้ามาต้องทําอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นไป น, นั่งวาดลูกหนึ่งชั่วโมงออกกําลังกายครึ่งชั่วโมง ตีเทนนิสครึ่งชั่วโมงอะไรอย่างงี้ยนะคนประเภทนี้ก็มีคือพยายามที่จะเอาลูกตัวเองเนี่ยทําเป็นเหมือนเครื่องก๊อปปี้อฮะผลิตขึ้นมาอย่างให้ได้อย่างที่เองต้องการแต่ว่าบางทีเราลืมนึกไปว่าจริงๆแล้วลูกเราเนี่ยก็คือเขาเกิดมาเพื่อทําหน้าที่ลูกแต่ว่าจริงๆชีวิตเขาก็ยังคงเป็นชีวิตเขาอะฮะฉะนั้นถ้าเราคิดว่าเขาเป็นของเราเนี่ยเราก็พยายามจะจัดการให้ได้เป็นไปอย่างที่ใจเราต้องการ ซึ่งไอฐานความคิดอย่างนี้เนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้ยากนะถ้าเกิดเราไม่ได้ศึกษาเรื่องของชีวิตโดยเฉพาะถ้าเราไม่ได้ศึกษาเรื่องของจิตใจแล้วถ้าเราไม่ได้เตรียมความพร้อมทางด้านจิตใจไว้ไม่ได้บ่มเพาะเด็กให้มีศักยภาพที่พร้อมไว้เนี่ยในการที่จ ะ, ะเผชิญกับความค่ำเคร่งหรือว่าความเคร่งเครียดที่จะเกิดขึ้นในการเรียนการศึกษาและการทํางานเนี่ยอันนึงที่น่าสนใจก็คืออย่างนี้พี่สินีวา เด็กที่เรียนไปแล้วเริ่มมีอาการเครียดไม่ไหวหรือว่ามีอาการเบื่อนหน่ายนะพวกนี้สิ่งหนึ่งที่ขาดก็คือขาดเป้าหมายของชีวิตอือีกอันหนึ่นนงก็คือขาดความอดทนอดกลั้นเป้าหมายชีวิตกับความอดกลั้นอดทนนี่จําเป็นมากเลยใช่ไหมคะนะเพราะว่าคนพวกนี้เนี่ยมักจะเกิดมาบนกองเงินกองทองมีความสุขสบายทุกอย่างพอไปเผชิญหน้ากับการที่เรียนในลักษณะที่เรียกว่า เอาจริงเอาจังเพราะว่าชีวิตของคนมันต้องเป็นเรื่องของการเอาจริงเอาจังวิชาแพทย์มันไม่ใช่วิชาที่ไม่ใช่เรียนเล่นๆนะคะเล่นๆเล่นๆไปได้อย่างนี้นะงั้นแล้วถ้าเกิดว่าสมมติเขาไม่ได้มีความอ่าชอบอย่างแค่จริงเนี่ยพวกนี้ก็จะเกิดความรู้สึกว่าเหนื่อยเกินไปเพราะว่าไม่มีเป้าหมายใช่ไหมฮะอย่างที่บอกไม่ได้เลือกเรียนด้วยความสมัครใจเรียนๆไปอย่างนั้นเนี่เพราะว่าเราดูมันสอบได้เกรดสูงก็สอบสอบไปแล้วมันก็ได้อะไรอย่างงี้นะค่ะค่ะ คือไม่มีเป้าหมายที่จะเลือกเรียนคณะแพทย์เนี่ยด้วยวัตถุประสงค์ที่มันชัดเจนคก็เลยพอมีปัญหาหรือุปสรรคเนี่ยบวกกับความที่ไม่มีความอดทนอดกัน้นจากการที่ตัวเองไม่เคยลำบากลาบนมาก่อนไม่รู้จักความลําบากเห็นแต่ความสุขเห็นแต่ความสบายพวกนี้เนี่ยจะทําให้เด็กพวกนี้อ่อนแอน ะ, ะไม่มีน้ําอดน้ําทนก็เรียกว่าอย่างง้นั้นปัญหาอย่างนี้เนี่ยมันจะเกิดขึ้นซ้ซซซซําๆซากๆถ้ า, าหากว่า พ่อแม่ของเราเนี่ยไม่เน้นเรื่องของความเข้มแข็งทางด้านจิตใจไว้ซึ่งแน่นอนว่าปัญหาเหล่านี้เนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้มากเลยแล้วก็ไม่มีทางจบถ้าพ่อแม่ไม่เป็นแบบอย่างที่ดีแล้วก็ไม่เข้าใจชีวิตตามความเป็นจริงน ะ, นะครับพี่ชินาคือจะเรียกว่าเล่นเกมไม่เป็นก็ว่าไดา้เพราะฉะนั้นนะปัญหาทั้งหลายแหลเนี่ยต้องเริ่มต้นจากการที่ผู้เล่นต้องเล่นเกมให้เป็นก่อนนะคะครับ <èmes> ผู้เล่นเนี่ยต้องเข้าใจเรื่องกฎแห่งกรรมผู้เล่นต้องเข้าใจเรื่องเหตุปัจจัยนะผู้เล่นต้องเข้าใจเส้นสนกลไก ข, ของกรรมผมรู้สึกว่าถ้าเราเข้าใจเรื่องราวเหล่านี้นะมันจะเล่นไม่ยากเพราะว่ากฎแห่งกรรมหรือว่าเส้นทางของกรรมหรือว่าเกมนี้เนี่ยมันมีกติกาของมันอยู่คนะมีเหตุปัจจัยของมันอยู่ถ้าเราใส่เหตุปัจจัยที่มันถูกต้องเนี่ยโอกาสที่มันจะได้เปรียบเนี่ยมันจะสูงนะในขณะเดีวยวกันถ้ามันจะเพี้ยงพ้า คามเพียงเท้าอันนั้นมันก็ได้ไม่ใช่เป็นสิ่งที่มันเสียหายอะไระนะครับเป็นสิ่งที่กลับจะเป็นประโยชน์กลับจะเป็นบทเรียนจะเป็นครูเป็นอาจารย์ พ, พ่อปู่สติปัญญาให้กับเราได้วยซ้ำรานัน้นขณะนี้ที่ เ, เกิดว่ามันเลยเถิดมาจนว่ามีปัญหาอย่างนี้เกิดขึ้นแล้วเนี่ยบางทีต้องมานั่งคุยกันคนะฮะต้องมานั่งคุยกันยอมรับความเป็นจริงว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นอย่างนี้แล้วเนี่ยเราจะแก้ไขกันยังไงกันดีอะไย ทั้งทั้งครอบครัวคุณพ่อคุณแม่คุณลูกอะไรคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายอะไรต่างๆเนี่ยอาจจะต้องมานั่งเสวนากันต่างๆเนี่ยแล้วก็หาบทสรุปออกมาซึ่งการแก้ไขปัญหาณนะตอนนี้เนี่ยผมว่ามันต้องอาศัยสติปัญญาที่เข้มข้นมากกว่าเดิมนะฮะเพราะว่ามันผ่านล่วงเลยเวลามาจนกระทั่งว่าเด็กของเราเข้าวัยอายุประมาณเกือบยี่สิบหรือว่ายี่สิบต้นๆไปแล้วเนี่ย <c oughs> บางที มันก็เรียว่าไม้อ่อนดัดง่ายใช่ไหมมันแก่ยากไม้แก่ดัดยากแต่ว่ามันจะดัดยากยังไงบางทีมันก็ต้องพยายามดัดหรือต้องมาคุยกันนะค่ะแล้วที่สําคัญก็คือว่าเกมนี้เราเลือกเล่นได้ด้วยนั่นแหะสี่ตรงนี้วิชาแพทย์ถ้าเราคิดว่าไม่ไหวแล้วเนี่ยก็ไม่จําเป็นที่จะต้องดันทุลังเล่นต่อเพราะว่าไม่มีใครแก่เกินเรียนนะไม่มีการคำว่าสายเกินไปกับการเริ่มต้น เพราะฉจริงๆแล้วชีวิตของเราบางคนว่าในนเรียนแล้วปีสองปีสามแล้วต้องเอาให้จบอะไรเงี้ยนะจบแล้วใคยว่าการอะไรอย่างนี้ก็มีมากไปนะคะฮะอย่างนี้ก็มีเนี่ยจริงๆแล้วผมมองว่าไม่จําเป็นถ้ามันไม่ไหวจริงๆนะก็ออกมาเรียนเป็นอย่างอื่นการที่เองชอบเพราะว่าอย่างที่พี่สศรีนาฏว่าไปขายเต้าหู้ดีกว่าเพราะว่ามันมีความสุขแล้วก็เป็นมีความอิสระแต่จริงๆแล้วเนี่ยผมก็ยังมองว่า อาชีพของคนเราเนี่ยสำคัญน ะ, ะเพราะว่าอาชีพขายเต้าหวยเนี่ยถ้าคุณขายเต้าหวยแล้วมีความสุขดีแต่ว่าถ้าเทียบกับคุณประโยชน์ของวิชาชีพในแง่ของการเป็นงานบุญงานกุศลเนี่ยตรงนี้จะขาดหาไป ค, คือคุณค่าของอาชีพมันจะน้อยใช่ไหะซึ่งตรงนี้เนี่ยจริงๆถ้าคนที่มีมิติทางด้านเรื่องของศาสนาเรื่องของการทาบุญทากุศลเนี่ย ถ้าเรามีมิติทางด้านนี้อยู่เนี่ยเราจะเห็นเลย ว, ว่าวิชาชีพแพทย์หรือว่าวิชาชีพในด้านการดูแลสุขภาพเนี่ยเป็นวิชาชีพ ท, ที่ง่ายที่จะได้บุญแน่นอนค่ะ่ง่ายที่จะได้บุญแล้วก็ได้กุศลแล้วก็มันจะมีความสุขใจหรือว่ามันมีความมั่นคงทางจิตใจนี่ได้ง่ายถ้าระวังจิตวางใจถูกนะครับค่ะอาชีพขายเต้าหู้เนี่ยดูมันอิสระดูมันสบายแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้ความอิสระใช้ความสบายนั้นไปวันๆนะ มันจะขาดความภูมิใจในวิชาชีพด้วยในฐานะที่เราเกิดจะเป็นมนุษย์นะค่ะนี่วิชาชีพแพทย์เนี่ยผมว่ามันให้ความรู้สึกตรงนี้ได้ชัดเจนแล้วก็คุณค่าด้วยประโยชน์ของมันเนี่ยมากมายมหาศาลแม้แต่ตัวเราเองด้วยต่อบุคคลในครอบครัวของเราเยผมเองเนี่ยนะมีประสบการณ์ตรงมาอย่างตอนนี้ปัจจุบันนะี้มีคุณหมอฟันท่านหนึ่งนะ ตอนนี้คือถึงเวลาที่ต้องดูแลคุณพ่อคุณแม่ซึ่งอายุล่วงเลยประมาณเจดสิบกว่าปีไปแล้วนั่นหมายว่าเป็นช่วงอุดมไปด้วยโรคนะะเราต้องหาเรื่องตายแล้วนั้นเธอจะต้องดูแลคุณพ่อคุณแม่เนี่ยที่เจ็บป่วยอยู่เรื่อยเนี่ยนะนี่ตัวเองเป็นทันตแพทย์เนี่ยเรื่องที่รู้แหละก็คือตั้งแต่คอขึ้นไปฮนะค่ะแล้วก็รู้เฉพาะช่วงช่องปากอะไรเงียมากกว่านั้นนี่เธอจะไม่ค่อยรู้ล่ะอืใช่ไมฮะค่ะนั้น อันนี้ผมไม่ได้เปรียบเทียบอาชีพน ะ, ะแต่เปรียบเทียบผลให้ดูหรือว่าพอถึงเวลาที่คุณเพ่อคุณแม่เจ็บไข้ได้ป่วยที่มันเกี่ยวกับระบบอื่นเนี่ยเราไม่รู้ละนะ แ, แม้แต่เราจะใช้เวลาเรียนในการเรียนมาหกปีเหมือนกันเนี่ยแต่ว่าเราเกี่ยวข้องไม่ค่อยถูกอนะ่ะต้องอาศัยมือคนอื่นหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยมากขึ้นผมยังแซวเขาคืนไปว่า เน่เห็นไหมบอกแล้วบอกว่าให้กลับไปเรียนแพทย์ใหม่ก็ไม่เอาอะไรแนี่มันจะมีประโยชน์ระยะยาวอย่างนี้เกิดขึ้นด้วยเช่นเดียวกันซึ่งเป็นองค์ความรู้นะคะเป็นองค์ความรู้ที่ <c oughs> ที่มันเกิดขึ้นจากการที่เราได้มีโอกาสเรียนแพทย์ <c oughs> นั้นถ้าเด็กของเราเนี่ยไม่มีเป้าหมายนะว่ามันมีคุณค่ามันมีประโยชน์ต่อทั้งตัวเราเองต่อครอบครัวหรือถ้ามองในแง่ของบุญของกุศลเนี่ย ไม่มองในแง่ของเศษรษฐฐา น, นะเรื่องของความมั่นคงในวิชาชีพชื่อเสียงอะไรอย่างนั้นอ่ะแล้วถ้าเราไม่มองประเด็นนั้นเนี่ยเรากลับมามองประเด็นนี้เนี่ยก็อาจจะทําให้เ้ามีมีใจหรือจิตใจร่ว่ามีความตั้งใจที่จะเรียนให้ได้คือไม่ใช่หวังว่าประโยชน์ตัวเองอย่างเดียวไม่ใช่เพื่อไปหาสตางค์อย่างเดียวใช่แล้วก็คือตั้งใจเรียนเพื่อที่จะนําความรู้เหล่านี้ มาดูแลพ่อแม่ก็ได้ถ้าเราลักพ่อแม่ใช่ไหมคระหรืออ่ามาดูแลตัวเองหรือว่าครอบครัวในนะอนาคตถ้าเราจะมีต่อไปเราจะได้ไม่ต้องพึ่งพิงคนอื่นเยอะก็เรียกว่าเป็นวิชาดูแลสุขภาพตัวเองก็ได้ถ้าคิดได้อย่างนั้นกว้างนะครับามาจากกว้างวิธีชีวิตอันตรงจุดเหล่านี้เนี่ยบางทีถ้าเราไม่เตรียมไว้ก่อนไม่เตรียม ค, ความพร้อมของลูกไว้ก่อนไม่เทรนไว้ก่อนนะแล้วก็ปล่อยให้เขาเลือกไปตามยถากรรมนะฮะ ผมว่ามันก็จะเกิดปัญหาอย่างที่พี่จีนิทาเล่าให้ฟังเนี่ยได้ง่ายค่ะอ<ฆ>แต่ว่าจริงๆแล้วปัญหามันก็อาจจะไม่เลวร้ายฮะเพียงแต่ว่าอ่จะต้องมานั่งคุยกันเนยะมานั่งคุยกันมาเปิดใจคุยกันด้วยความเมตตาด้วยความเมื่ออาร้อนด้วยความเข้าอกเข้าใจกันเนี่ยค่ะ<ฆ>ซึ่งพวกนี้เนี่ยบรรยากาศอย่างนี้ในสังคมเมืองเนี่ยผมว่ า, ม, ไไามันเป็นไปได้ยากมันเป็นไปได้ยากแล้ว<ฆ>ว่าค่อยๆจะจืดจางไปเรื่อยๆนะยั่งถ้าทั้งพ่อทั้งแม่ คุณลูกนะคมานั่งคุยกันจริงๆด้วยใจจริงๆด้วยความเป็นจริงของชีวิตเนี่ยเพราะว่าปัญหามันน่าจะคลี่คลายไปได้ดีนะฮะอย่างเช่นว่าเด็กที่ต้องการเหรียญทองก็เอาแค่ว่าเอาสบายๆพอผ่านได้นี่นะไอคนที่จะเรียนมันจะตกโยนจะตกก็ถ้ามันเครียดมากมันจะตกแน่ๆก็ให้มันตกไปจริงๆแล้วให้เขารีทายไปเลยเป็นเพราะฝีมือเราไม่ดีจริงๆก็ยอมรับไปก็ได้ไม่ต้องไปเครียดนะฮะ อะไรกานองนี้ซึ่งการแก้ปัญหามันหลากหลายมากครับก็สิ่งที่เราแบ่งปันให้กับเพื่อนของเราในเช้าวันนี้หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์เป็นยาใจให้กับผู้ที่เล่นเกมเป็นคุณพ่อคุณแม่ได้ข้อคิดสําหรับที่จะนําไปดูแลลูกๆของท่านนะคะเพราะว่าลูกของท่านจะเรียนแพทย์หรือเรียนอย่างอื่นเนี่ยก็คงจะมีความคลีดในการเรียนบ้างไม่มากก็น้อยเอาไปประยุกต์ปรับใช้กับครอบครัวของเราได้ด้วยกันทั้งนั้นนะคะ